เจรอนพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ไฝ่ธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันสุขที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2551เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งในทางพระพุทธศาสนา เป็นวันแรมหนึ่งข้ามเดือน8เรียกว่าวันเข้าพรรษาคำว่าพรรษานี้หมายถึงระยะเวลาสมเดือนเริ่มตั้งแต่วันแรมหนึ่งข้ามเดือน8คือวันนี้ไปจนถึงวันแรมหนึ่งข้ามเดือน11เเป็นเวลาสมเดือนด้วยกันที่พระภิกษุสามนเณน จะต้องอยู่ในอาวาสใดอาวาสหนึ่งอยู่ในวัดใดในวัดหนึ่งไม่จะริกไปตามสถานที่ต่างๆไม่ไปข้างแรงตามสถานที่ต่างๆ ต, ตลอดระยะเวลาสามเดือนด้วยกันเนื่องจากในสมัยพุทธกาลในประเทศอินเดียเวลาช่วงระยะเวลานี้เป็น เป็นฤดูฝนมีฝนตกชุกชุมชาวนาชาวไร่กำลังทำไรไ่ขายนาหวานพืชปลูกพืชกันถ้ามีการจะลึกไปไหนมาไหนก็จะไม่สะดวกจะเปียกฝนและอาจจะไปย่ำไปเหยียบพืชที่ชาวนาชาวไร่ได้ปลูกได้หวานเอาไว้ จึงได้มีการกราบทูลขอพุทธานุญาตจากพระบรมศาสดาขอให้ได้ทรงมัญญิให้พระภิกษุสา ม, มเณรอยู่จำพรรษาไม่ให้จาริกไปไหนตลอดระยะเวลาสามเดือนด้วยกันนี่คือความเป็นมาเรื่องของการเข้าพรรษาหรือการอยู่จำพรรษา ซึ่งได้รับการสืบทอดประเพณีมาจนถึงปัจจุบันนี้ชาวพุทธที่มีจิตศรัทธามีความเคารพเลื่อมใสในพระบรมศาสดาในพระธรรมคำสอนในพระอริยสงสาวกทั้งหลายจึงได้มีความตั้งใจที่จะสร้างบุญสร้างผุณศร ให้มากโดยเฉพาะในช่วงเข้าพรรษานี้จะทำบุญเพิ่มขึ้นจะรักษาศีลมากขึ้นจะละอบายอามุกาาต่างๆให้น้อยลงไปสุดแท้แต่แห่งความศรัทธาความสามารถของแต่ละท่านจะปฏิบัติกันบางท่านมีศรัทธามากก็ ลาออกจากงานหรือลาพักงานเพื่อออกบวชเป็นพระภิกษุเป็นสัมมาณีเป็นแม่ชีเป็นอุบาสิกาอยู่วัดเพื่อจะได้บำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลให้ได้มากเพราะว่าไม่มีอะไรในโลกนี้มีคุณค่าเท่ากับบุญกุศล เงินทองเพชรนินจินดาต่างๆในโลกนี้แม้จะมีราคามีค่ามากน้อยเพียงอยก็ตามแต่สำหรับจิตใจแล้วไม่มีประโยชน์เลยนอกจากไม่มีประโยชน์แล้วยังสร้างความทุกข์ให้กับจิตใจเป็นอย่างยิ่งด้วยผู้ที่ฉลาดจึงไม่สนใจในการสะสมเลอ สร้างทรัพย์สมบัติต่างๆขึ้นมาเพราะไม่ได้เป็นที่พึ่งอย่างแท้จริงพึ่งได้เพียงเฉพาะทางร่างกายคือถ้ามีเงินทองมากก็จะกินอยู่อย่างสบายมีอาหารมีบ้านอยู่มียารักษาโรคมีเครื่องนุ่งหม่มไว้นุ่งหม่มอย่างอย่างพอเพียงแต่ไม่สามารถ ไปดูแลรักษาใจได้คนจะรวยขนาดไหนจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ยังไม่สามารถหนีจากความทุกข์ใจได้ยังต้องทุกข์ยังต้องห่วงยังต้องหว ง, ย, ง, ง, หวงยังต้องกังวลยังต้องร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจยังต้องหวาดกลัวกับภัยอันตรายต่างๆเพราะ ทรัพ ส, สมบัติเข้าของเงินทองนั้นไม่ได้เป็นที่พึ่งของใจนั่นเองไม่ได้ปกป้องจิตใจให้อยู่ปราศ จ, จากภัยอันตรายต่างๆที่เข้ามารุมเร้าจิตใจมีบุญกุศลนี่แหละที่จะสามารถรักษาปกป้องจิตใจให้แขวงแปลอดภัย จากความทุกข์ต่างๆได้บุญกุศลนี่แหละที่จะสร้างความสุขใจสร้างความอิ่มเอิบใจให้ได้ตลอดเวลาไม่มีอย่างอื่นในโลกนี้สามารถจะทำได้สิ่งต่างๆในโลกนี้ถ้าจะให้ความสุขก็ให้เพียงเล็กน้อยแล้วก็แถมความทุกข์มาให้อีกหลายหลายเท่าด้วยกันไม่ว่าเรามีอะไร ถึงแม้เราจะมีความสุขจากสิ่งเหล่านั้นหรือบุคคลเหล่านั้นในขณะเดียวกันเราก็ต้องมาทุกข์กับสิ่งเหล่านั้นมามาทุกข์กับบุคคลเหล่านั้นเพราะมีอะไรมาแล้วเราก็จะเกิดความหวงเกิดความยึดติดเกิดความอยากให้สิ่งต่างๆให้บุคคลต่างๆที่เป็นของเราที่เราถือว่าเป็นของเรานี้ อยู่กับเราเป็น น, นานๆไม่เปลี่ยนแปลงแต่ตามหลักความจริงแล้วมันเป็นไปไม่ได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนอยู่ภายใต้กฎของการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่าอนิจจังอนิจจังก็คือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่มีอะไรคงเส้นคงวาอยู่ตลอดเวลาเช่นร่างกายของเรานี้ ไม่หนุ่มไม่สาวไปตลอดเวลาไม่เด็กไม่แก่ไปตลอดเวลามีการเจริญเติบโตมีการเสื่อมมีการชราภาพและมีการยุติไปในที่สุดเช่นเดียวกับวัตถุเข้าของเงินทองต่างๆก็เป็นอย่างนั้นจิตที่มาเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่ได้รับการ อบรมไม่ได้รับการสั่งสอนก็จะหลงยึดติดคิดว่าสิ่งต่างๆจะให้ความสุขกับตนไปตลอดสิ่งต่างๆจะไม่ให้ความทุกข์กับตนแต่พอได้มาแล้วก็ต้องมาทุกข์มาวุ่นวายใจมาเศร้าโศกเสียใจกับสิ่งต่างๆกับบุคนต่างๆโดยไม่รู้สึกตัว และไม่ไม่รู้สาเหตุด้วยว่าทำไมถึงทาให้ตนทุกข์ได้ขนาดนั้นแต่ถ้าเรามีบุญมีกุศลแล้วบุญกุศลนี้จะป้องกันใจของเราไม่ให้ไปหลงไปยึดไปติดไปอยากให้สิ่งต่างๆบุคคลต่างๆที่เราสัมผัสเกี่ยวข้องด้วยให้เป็นไปตาม ใจของเราแต่จะปล่อยให้สิ่งต่างๆบุคคลต่างๆเขาเป็นไปตามธรรมชาติของเขาทุกสิ่งทุกอย่างเขามีมีวิถีทางไปของเขาไปอย่างไม่หยุดยัง้งเหมือนกับกระแสน้ำในแม่น้ำลำธารที่ไหลอยู่ตลอดเวลาไม่มีใครสามารถไปหยุดกระแสน้ำได้ น้ำย่อมไหลไปตามทางของเขาฉันใดทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ย่อมไหลไปตามกระแสะทางของเขาฉันนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมีการเกิดขึ้นมีการตั้งอยู่แล้วก็มีการดับไปร่างกายก็มีการเกิดแล้วก็มีการแก่การเจ็บการตายการพัาดาจากกัน แต่จิตที่มาครอบครองมายึดติดอยู่กับร่างกายมายึดติดกับสิ่งของต่างๆนั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเหมือนกับสิ่งต่างๆมีสิ่งเดียวในโลกนี้เท่านั้นที่ไม่เปลี่ยนแปลงก็คือจิตใจของพวกเราจิตใจของพวกเราเป็นอย่างไรมาตั้งแต่ในอดีตในปัจจุบันก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ คือจิตเป็นผู้รู้เป็นผู้รับรู้เรื่องราวต่างๆที่มาสัมผัสกับตาหูจมูกลิ้นกายแล้วใจก็รับรู้ว่าเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นโผฏฐัพพะแต่ใจนั้นไม่ได้ศึกษาเรื่องของใจใจจึงไม่รู้วิธีรักษาให้ใจนั้นมีความสุขไม่ให้ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆ เพราะใจตกอยู่ในอำนาจของความหลงของความมืดบอดที่จะหลอกให้ไปหลงยินดีอยากได้สิ่งต่างๆอยากมีสิ่งต่างๆอยากสัมผัสกับสิ่งต่างๆพอไปมีความยินดีแล้วก็เกิดความยุติเกิดความหวงขึ้นมาสังเกต ด, ดูเวลาเราได้อะไรมา เราจะรักและเราจะหวงสิ่งที่เราได้มาเราจะไม่อยากให้คนอื่นมาแตะต้องเราไม่อยากจะให้เขาจากเราไปแต่ถ้าเราไม่ได้เขามาเป็นของเราเราจะไม่รู้สึกกังวลกับเขาแต่อย่างใดเขาจะเป็นอย่างไรเขาจะไปมีอะไรกับใครเราจะไม่เดือดร้อนเพราะใจเราไม่ได้ไปยึดไปติดกับเขานั่นเอง ปัญหาของพวกเราจึงอยู่ที่ความยุติดอยู่ที่ความหลงที่ไม่รู้ว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นเหมือนกับลูกระเบิดลูกระเบิดนี้พวกเรารู้จักกันดีว่าเป็นอย่างไรถ้าเราไปพบลูกระเบิดเราจะไม่เก็บเอามาไว้ในบ้านเราจะไม่เก็บเอาไว้ในกระเป๋าเราจะต้องรีบส่งไปให้เจ้าหน้าที่ทันทีให้เขาจัดการ เพราะเราไม่รู้ว่ามันจะระเบิดขึ้นมาเมื่อไหร่สิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ก็เหมือนลูกระเบิดเป็นระเบิดเวลาที่รอเวลาที่จะระเบิดใส่เราใส่จิตใจของเราทำร้ายจิตใจของเราให้เราต้องร้องหอมร้องไห้เศร้าโศกเสียใจให้เราหวาดวิตกกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะ โดยธรรมชาติของทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอย่างนั้นสักวันหนึ่งมันก็จะระเบิดใส่ใจเราพอมันระเบิดแล้วเราก็จะต้องมาเสียอกเสียใจถ้าเราไม่ตั้งหลักไว้ไม่ได้เตรียมตัวรับไว้เราอาจจะไม่สามารถทนรับกับสภาพของมันก็ได้เช่นคนที่ต้องฆ่าตัวตายไปก็เป็นคนที่โดนลูกระเบิดทางด้านจิตใจนั่นเอง ไม่เคยคิดว่าจะมีเหตุการณ์เลวร้ยวายอย่างนั้นเกิดขึ้นกับตนเองหมดเนื้อหมดตัวหรือสูญเสียสามีหรือภรรยาหรือลูกคนที่รักไปเพราะไม่ได้มีการศึกษาไม่มีการอบรมสั่งสอนจิตใจให้สร้างภูมิคุ้มกันป้องกันระเบิดเวลาที่มันจะระเบิดขึ้นในเวลาใดก็ได้ ถ้าเราสร้างบุญสร้างคุณสมอยู่เรื่อยๆแล้ ว, ลวก็เท่ากับเรามีเกราะคุ้มกันลูกระเบิดเวลาลูกระเบิดมันระเบิดขึ้นมามันจะไม่สามารถกระทบกับใจของเราได้เพราะใจของเรามีเกราะเหมือนรถพุ่มเกราะรถถังเวลายิงใส่ยิงระเบิดใส่ลูกถังใส่รถถังมันก็ไม่สามารถเข้าไปทำ้าย คนที่อยู่ในรถถังได้เพราะมีเกราะที่แน่นหนาที่แข็งแรงนั่นเองนี่แหละคือความพิเศษหรือความเลิศของบุญกุศลอยู่ตรงที่สามารถรักษาใจของเราไม่ให้ทุกข์ไม่ให้เศร้าโศกเสียใจไม่ให้หวาดกลัวกับสิ่งต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นก็ดี หรือที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าก็ดีจะไม่สามารถมาทำให้ใจรู้สึกหวาดกลัวหรือทุกข์ได้เลยเพราะใจมีบุญมีกุศลไว้คุ้มครองนั่นเองและบุญกุศลนี้นอกจากเป็นเกราะคุ้มครองแล้วยังเป็นอาหารหล่อเลี้ยงจิตใจให้มีความอิ่มเอิบใจมีความสุขใจอยู่ตลอดเวลา ไม่จำเป็นที่จะต้องไปหาสิ่งต่างๆนอกใจเหมือนกับพวกเราที่ยังไม่มีบุญกุศลมากพอพวกเรายังต้องออกไปหาสิ่งต่างๆภายนอกมาหล่อเลี้ยงจิตใจของเราให้มีความสุขไปหารูปไปหาเสียงไปหากลิ่นหารสหาผลทพะไปหาสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆมาครอบครองเพื่อให้เรามีความสุข เพียงแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเรานอกจากได้ความสุขแล้วยังมีความทุกข์แถมมาอีกด้วยคนฉลาดเช่นพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านจึงเดินสวนทางกับพวกเราแทนที่จะแสวงหาสิ่งภายนอกใจท่านกับสละสิ่งภายนอกใจไปหมดเพราะท่านเห็นด้วยปัญญาแล้วว่า มันมีความทุกข์มากกว่ามีความสุขพระพุทธเจ้าเป็นถึงราชโอรสมีระษาสามฤดูมีบริสัทบริวารมีเครื่องบันเทิงมีอะไรต่างๆคอยบำรุงบเรอจิตใจอยู่ตลอดเวลาแต่พระทัยของพระองค์กลับมีความหวั่นไหวมีความวิตกมีความกังวลและทรงเห็น ความทุกข์ความหวั่นไหวต่างๆในใจเนื่องจากมีพระปัญญาไม่มองเพียงแต่ภายนอกเหมือนพวกเราพวกเรามักจะมองสิ่งภายนอกอย่างเดียวแต่เราไม่เคยมองใจของเราเลยว่ามีปฏิกิริยากับสิ่งภายนอกอย่างไรเวลาเราเห็นอะไรเราชอบขึ้นมาเราก็อยากจะได้เวลาเราเห็นอะไรเราทุกข์ขึ้นมาเราก็อยากจะหนีจากมัน เราไม่เคยคิดเลยว่าปัญหาของเรานั้นมันอยู่ภายในมันไม่ได้อยู่ภายนอกเช่นเราเห็นอะไรที่ไม่ถูกอกถูกใจแทนที่เราจะแก้ปัญหาที่ใจคือแก้ความไม่ถูกอกถูกใจเรากลับไปแก้สิ่งที่ทำให้เราไม่ถูกอกถูกใจเช่นเห็นผมของเรามันสั้นเราก็ปล่อยให้มันยาวเห็นผมของเราสีไม่สวยเราก็เอาไปย้อม ทำอย่างไรเท่าไหร่ความไม่ถูกอกถูกใจมันก็ไม่หายไปทำแล้วเดี๋ยวมันก็มีเรื่องอื่นมาสร้างความไม่ถูกอกถูกใจให้กับเราอีกแทนที่เราจะหันเข้ามาแก้ความไม่ถูกอกถูกใจในใจของเราด้วยการยอมรับความจริงว่าโลกนี้มันเป็นอย่างนี้มันมีทั้งสิ่งที่ถูกอกถูกใจและไม่ถูกอกถูกใจ แต่เราสามารถทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นถูก อ, อกถูกใจกับเราได้ด้วยการบังคับใจของเราให้ถูก อ, อกถูกใจให้ยินดีให้พอใจกับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะหนาวหรือจะร้อนไม่ว่าจะเจ็บหรือไม่เจ็บถ้าเราทําใจฝุกใจของเราให้ยอมรับกับสิ่งต่างๆที่มาสัมผัสกับใจเราให้ใจของเราเกิดความยินดีได้ ใจของเราก็จะไม่ถูกแต่เราไม่แก้ปัญหาที่ใจกันเราไปแก้ปัญหาที่ภายนอกแก้เท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมดสิ้นเพราะมันมีเรื่องอื่นเข้ามาทดแทนมีตัวตายตัวแทนมาทดแทนอยู่เสมอเราแก้ปัญหาคนนี้ไปได้เดี๋ยวก็มีคนหนึ่งมาสร้างปัญหาให้เราอีกแก้อีกคนหนึ่งก็มีอีกคนหนึ่งมาต่อ แต่ถ้าเราแก้ที่ใจเราเราปล่อยคนที่เขาที่เราไม่พอใจให้เขาไปตามเรื่องของเขาตอบให้ต่อไปต่อให้มีคนมาอีกกี่ร้อยล้านคนมาสร้างความไม่สบายใจให้กับเราก็จะไม่เป็นปัญหาเพราะเราจะไม่ไปกังวลกับเขาเราจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเขาเขาจะทําอะไรเขาจะพูดอะไรเขาจะเป็นอะไรเราก็ปล่อยให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขา เท่านั้นใจของเราก็จะไม่มีปัญหาอะไรนี่คือกุศลเรียกว่าปัญญาทางพระพุทธศาสนาบุญกุศลจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อจิตใจพระพุทธเจ้าทรงสแสดงบุญกุศลนี้ไว้หลายชนิดด้วยกันเช่นวันนี้ญาติโยมมาทำบุญให้ทานนี่ก็เรียกว่าบุญอย่างหนึง่งรักษาศีลห้าเมื่อทีนี้ก็เป็นบุญอีกอย่างหนึง่ง การได้ฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดความฉลาดเกิดปัญญาเกิดความเห็นที่ถูกต้องก็เป็นบุญอีกอย่างหนึ่งหรือการนั่งสมาธิการเดินจงกรมการพิจารณาความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลอีกอย่างหนึ่งถ้าเราได้บำเพ็ญสิ่งเหล่านี้อยู่เรื่อยๆแล้วต่อไปจิตใจของเราจะมีความสุขมากขึ้น จะมีความทุกข์น้อยลงจะไม่มีความต้องการสิ่งต่างๆภายนอกเพราะรู้ว่าเมื่อได้อะไรมาแล้วมันจะต้องมาสร้างความทุกข์ให้กับเราและเมื่อเรามีบุญกุศลมากพอแล้วบุญกุศลนี้จะสร้างความอิ่มเอิบใจให้กับเราจนทำให้เราไม่ต้องไปแสวงหาสิ่งอื่นๆภายนอก มาบำรุงบำเรมมาให้ความสุขมาให้ความอิ่มเมื่อใจของเราอิ่มพอแล้วใจของเราก็หมดปัญหากับเรื่องต่างๆในโลกนี้ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับใครกับสิ่งใดก็ตามจะไม่เป็นปัญหากับคนที่มีความอิ่มแล้วเพราะไม่ต้องการอะไรจากสิ่งต่างๆในโลกนี้เองเหมือนกับอาหาร ถ้าเรารับประทานจนอิ่มแล้วต่อให้อาหารมันดีขนาดไหนก็ตามมันก็ไม่เป็นปัญหากับเราเราจะไม่คิดอยากจะกินมันใครอยากจะเอาไปกินเราก็จะไม่หวงไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเรายังกินไม่อิ่มใครมาเอาอาหารที่เรากำลังรับรับประทานไปนี่เราจะต้องเกิดความโกรธขึ้นมาทันทีนี่แหละวิธีที่จะทำให้ชีวิตจิตใจของเรา มีความสุขมีความอิ่มหนำสำราญใจมีความปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงก็อยู่ที่การบำเพ็ญสร้างบุญสร้างกุศลอย่างที่พวกเราทั้งหลายได้มากระทำกันในวันนี้และในช่วงเก้าพรรษานี้เราจึงควรที่จะคิดสร้างบุญสร้างกุศลให้มากขึ้นกว่าเดิมอย่างน้อยสักอย่างใดอย่างหนึ่งเช่น ถ้าเราไม่เคยตักบาตรทุกวันก็คิดตักบาตรทุกวันดูถ้ามีพระเดินผ่านบ้านของเราถ้าไม่มีก็มาวัดทุกวันพระก็ก็ทำได้แล้วแต่เราจะคิดกันขอให้เราทำเพิ่มจากบุญกุศลที่เราเคยทำอยู่เป็นปกติส่วนศีลก็ขอให้รักษากันให้มากยิ่งขึ้น ถ้าเราเคยรักษาเพียงแต่ในวันพระในในช่วงเข้าพรรษานี้ก็ลองรักษาศีลห้าดูตลอดทั้งพรรษาดือนวันอย่างนี้เป็นต้นหรือถ้าเราเคยดื่มดื่มสุรายาเมาเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนในช่วงสามเดือนนี้เราก็มาลดละมาเลิกดื่มสุราเลิกเล่นการพนันเลิกเที่ยวกลางคืน สักสเดือนดูแลเราจะเห็นผลตแตกต่างที่จะเกิดขึ้นตามมาในจิตใจของเราจิตใจของเราจะมีความสงบมีความสุขมากขึ้นจะไม่วุ่นวายจะไม่กังวลจะไม่เดือดร้อนจะมีความกังวลความเดือดร้อนน้อยลงไปจะมีเงินทองเหลือใช้ถ้าเราไม่เที่ยวสย่างไม่เสพชุราสย่างไม่เล่นการปรนัหารสยาง รับรองได้ว่าเงินทองที่เราหามาได้อย่างแสนลาบากนี้จะมีเหลือกินเหลือใช้เราจะกลายเป็นเศรษฐีขึ้นมาโดยไม่รู้สึกตัวเพราะว่าเราใช้น้อยกว่าที่เราหามาได้นั่นเองถ้าตราบใดเราใช้มากกว่าที่เราหามาได้เราก็จะต้องเป็นคนจนไปเรื่อยๆจะต้องเป็นขอทานจะต้องไปคอยกู้หนี้ยืมสินอยู่เรื่อยๆ ระไม่มีทางงโงหัวขึ้นมาได้เลยแล้วเราจะไปหาความสุขได้อย่างไรความสุขอยู่ที่ตัวเราเราเป็นผู้สร้างและเราเป็นผู้รับผลไม่มีใครให้ความสุขกับเราได้อย่างแท้จริงความสุขจากผู้อื่นนั้นให้ได้ก็เป็นเพียงชั่วขณะหนึ่งเช่นเวลาเขาพูดดีๆกับเราเราก็มีความสุขในชั่วขณะนั้นหรือก็าให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งกับเรา เราก็มีความสุขเพียงขณะนั้นแต่หลังจากนั้นถ้าใจของเรายังไม่มีบุญกุศลไว้คอยหล่อเลี้ยงแล้วเดี๋ยวก็เกิดความผิวเกิดความอยาเกิดความรำคาญใจเกิดความหงุดหงิดใจขึ้นมาทันทีเพราะว่าเราไม่มีบุญมีกุศลไว้คอยดูแลใจของเรานั่นเองดังนั้นในช่วงเข้าพรรษาตลอดระยะเวลาสาเดือนนี้จึงขอให้ท่านทั้งหลาย จงตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานว่าจะสร้างบุญสร้างกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายๆอย่างให้มีเกิดขึ้นในจิตในใจเพราะจะเป็นประโยชน์กับตนเองและจะเป็นประโยชน์กับผู้อื่นด้วยเ mm. พราะการสร้างบุญสร้างกุศลนี้เป็นเป็นเหมือนกับยิงนกด้วยกระสุนนัดเดียวแต่ได้สองตัวเช่นการทําบุญให้ทานผู้รับก็มีความสุข ผู้ให้ก็มีความสุขยังขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้คือเรื่องของการอยู่จำพรรษาเรื่องของการบำเพ็ญบุญกุศลให้มากกว่าปกติในช่วงระยะ3สามเดือนนี้ไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยึดติดไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีรัตนตรายมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้มามาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวนันณะสุขภาละโดยทั่วหน้ากันเธอ